คำว่าจิตเป็นความรู้หนึ่งเท่านั้นไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายที่มีความรู้อยู่โดยเฉพาะจิตก็ไม่มีเรื่องพอจิตก็เพื่อมตัวออก สู่ความคิดความปรุงความจดจำสำคัญมันหมายต่างๆในสิ่งที่เคยผ่านที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั่นละ่ะจิตเริ่มก่อเรื่องแล้วขยายตัวไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เรื่องจึงมีอยู่เรื่อยๆและขยายตัวไปโดยลำดับจนกระทั่ง ออกไปแล้วเข้าไม่ไมถูกเหมือนกับก่อไฟแล้วดับไม่เป็นไปก็ลุกใหญ่จิตคิดออกไปแล้วระงับดับความคิดของตนไม่ได้จึงกลายเป็นเรื่องราวเข้ามาเขาฐานตนเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอากาลรโกไม่กําหนดสถานการณ์ เวลามีอยู่เช่นนั้นทุกหัวใจถ้ามีแต่ความรู้เท่านั้นก็ไม่มีเรื่องถ้าเทียวก็เหมือนเม็ดผลไม้ถ้ามีแต่เม็ดข้องมันเท่านั้นมันก็ไม่มีเรื่องมากอะไรแต่พอมันแตกเม็ดออกมาเป็นต้นแล้วจะมีใบมีหน้ากแก่ลากฟอยมีเปลือกมีตะพี้มีแก่น มันมีกิ่งน้อยริงใหญ่ใบอ่อนใบแก่มีดอกมีผลเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นนั้นไม่สามารถที่จะพรรณาวินห์ป่านมันได้นดพนพอมันแต่ออกจากเม็ดแล้วเท่านั้นมันขยายตัวไปจนน่าอาจที่จะนับได้ว่าหากแก้วลากฝอยมีเท่าไหร่แพทย ออกไปกว้างแคบขนาดไหนรากแก้วมันลงลึกขนาดไหนเนี่ตัวก็หุ้มตัวกระพี้แก่นอืยลำต้นขยายตัวไปเรืาาออ่อยกินก้านขาขาใบอ่อนใบแก่กิ่นน้อยกิ่นใหญ่ออกหม่ดอกเก่าพ้นใหม่พ้นเก่าสลับซับซ้อนเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นเดียวจนไม่สามารถจะนับได้นะ นี่เราเทียกบกับจิตที่ได้เพื่มตัวออกสู่ความคิดตรงต่างๆขยายตัวไปไม่มีสิ้นสุดเรื่องจัดผ่านมานานเพียงไรก็ไปคิดได้หมดเอามายุ่งตัวเองสิ่งที่ไม่เคยผ่านก็คิดไปเดาไปด้นไปสําคัญมันม่นหมายไปเรื่อยๆจนจนวันแล้วตั้งแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นาเราไม่เคยเห็นความยุ่ง เราภาวนาเราก็รู้เรื่องความยุ่งว่าจิตเป็นตัวยุ่งที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดจะยุ่งยิ่งกว่าร่างกายของเราเวลาหิวอาหารมารับทานถ้ารับทานเสียก็ระงับดับกันไปน้ำก็พาดื่มเสียระงับดับไปไม่ควรจยุดตลอดเวลาเหมือนจิตเวลาห่วงเหงาห้านอน ก็พักผ่อนนอนหลับไปเสียเวลาเมื่อเพียก็พักผ่อนเสีเกิดโรคภยัยก็เก็บขึ้นมากับบำบัดรักษาก็ยังมีการมีเวลาระงับดับลงพอเป็นความสุข ก, กายสบายธาตุขันมั่งแต่จิตใจไม่เป็นหนังนั้นก่อวรอยู่ตลอดเวลาเพราะความกระเพื่อมตัวเป็นไปอยู่โดยสม่ําเสมอเพราะมีสิ่งผลักดันออกมาให้คิดให้ตึงอยู่เช่นนั้น จิตจริงเหมือนก็ลูกฟุณบอลนั่นเองถูกเตะริ้งแบบนู้นปิ้งแบบนี้ปิ้งไปปิ้งมาถูกฝ่าเท้าคนที่เหลือทั้งเตะทั้งเหยียบย่าทําลายหายี่เลยเจะให้แหลกจริงๆจิตก็เป็นสิ่งที่ทนไม่มีอะไรที่จะทนยิ่งกว่าจิตเหน้ยวแน่นยิ่งกว่าจิตแต่ทำลายให้ชิบหายไปก็ชิบหายไม่ได้เป็นแต่เพียงความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งเหล่านั้นบีบบังคับเท่านั้นเอง นี่ยคําว่าเรื่องออกจากจิตวงเดียวนี่เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะก่อเรื่องนอกจากจิตเป็นตู้ก่อการระงับเรื่องจึงต้องระงับที่ต้นเหตุคือจิตเป็นต้นเหตุแ ล, ล้วผลขึ้นมาในจุดนั้นด้วยจึงต้องระงับที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีอุบายวิธีนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถนำมาใช้ได้ผล เหมือนอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ที่ทันเบียกปัดสัวขาตัดธรรมคือจัดไว้ชอบควรแก่การแก้ไขกิเลสดิลงังภดับกิเลสที่มันเกิดขึ้นจากตนได้ด้วยความถูกต้องแน่นยัางเหมาะสมกับการแก้กิเลสนั้นทุกประเภทการที่กระทบความทุกข์ความลำบากนั่น กระทบด้วยกันทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลใครมีความรู้มากน้อยเพียงไรก็ยิ่งได้รับสัมผัสได้รับรู้ความทุกข์ที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในจิตใจและร่างกายตลอดมาแต่ไม่มีใครจะสามารถหาอุบายวิธีแก้ไขความกระทบกระเทือนอันเป็ น, นสิงสําคัญคือระหว่างจิตกับอารมณ์ที่ปุงขึ้นมาภายในตนเองโดยถือสิ่งภายนอกเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแล้วนํา เข้ามาคิดปรุงแต่งต่างๆให้เกิดความทุกข์ความทรมานจะตนความระงับอุบายวิธีระงับดับสิ่งเหล่านี้จึงมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้เฉียวฉลาดสามารถทำจนได้ผลแล้วนำทั้งเหตุต้องผลนั่นมาสองสอนพุทธบริษัทหรอสัทโลกทั่วๆไป รู้วิธีการผู้ใดมีความสนใจเชื่อตามหลักธรรมที่ทรงประพฤติปฏิบัติและได้ผลมาแล้วนั้นมาปฏิบัติตนเองตามที่ท่านสอนไว้ผู้นั้นก็ได้รับผลไปโดยลำดับจนได้รับผลเป็นที่พึงพอใจการระงับดับทุกข์จึงหมายถึงใจเป็นสำคัญ เอาใจเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะตัวนี้เป็นตัวการถ้าพูดว่าผู้ต้องหาก็คือจิตดวงนี้ผู้ต้องโทษก็คือจิตดวงนี้เป็นคนขี่คุกขี้ตารางก็คือจิตดวงนี้ถูกกัดถูกขังอยู่ในวัฏฏะสงสารพบน้อยพบใหญ่ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นพบกที่รักความทุกข์ความทรมานวิบากจะว่ายังไงคำว่วิบากก็คือผล ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุก็ต้องทำให้ผู้ทำนั้นได้รับความทุกข์อรมาบากในภกน้อยภพใหญ่สังสสยสังสารตาลังท่องเที่ยวอยู่อย่า ง, ง, างนั้นก็าหาทางออกไม่ได้นี่พระพุจจทธเจ้าจึงมาปเปิดทางให้รู้ทางออกนี้คือทางออกเรียกว่านิยานิกระทั่งนำสัตว์โลกผู้ติดข้องด้วยสิงมัวมืด เป็นเครื่องปิดบังทั้งหลายนี้ให้ออกได้โดยนิยานิกระทาสั่งสอนโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดการให้ทานก็แก้ไขกิเลสประเภทหนึ่งคือความตัหนาเหนียวแน่ น, นความหินแก่ตัวนี่ซึ่งเป็นกิเลสที่ผูกมดัดรัุ ง, ง จ, จิตใจจนหาทางออกไม่ได้ ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความล่มใสเป็นความพอใจในการให้ทานจึงชื่อว่าเป็นผู้แก้กิเลสตัวเหนียวตัวแน่นที่มัดอยู่ภายในจิตใจในี้ออกได้เดอมดับจนกระทั่งเป็นผู้เสียสละไม่มีความอะไรเสียดายือเป็นที่พอใจเมื่อได้เสียสละอะไรลงไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อุ่นมากน้อยเกิดเป็นความสุขขึ้นมาภายในจิตใจ นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการใจกิเลสตัวเหนียวแน่นตัวตันหนีถี่เหนียวตัวหิงเฉาตัวนั้นเห็นประจักษ์อยู่กับใจวัตถุนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากที่จะทําให้จิตไปเกาะไปยึดแล้วสั่งสมความทุกข์ขึ้นแก่ตัวเองหรือสั่งสมกิเลสขึ้นแก่ตัวเองไม่ใช่เป็นจริงสําคัญอะไรสําคัญก็คือผู้ไปยึดไปถือวัตถุสิ่งของเงินทองเป็นต้นนี่แหละคือผู้เป็นภัยต่อจิตใจ ความยินดีในการเสียสละเพื่อประโยชน์ตามเหตุตามผลที่จะเสียสละมากน้อยแก่จุดใดแก่บุคคลใดแก่สัตว์ตัวใดหรือแก่ผู้ใดจนมีความเสียสละได้ด้วยความปีติยินดีพอใจไม่อะไรเสียดายนี่ชื่อว่าเป็นผู้ชนะกิเลสประเภทนี้ไปแล้วโดยลำดับมีห น, น้ำท่ำยังเกิดความปลื้มอกปลื้มใจในเมื่อได้ทำ ตามความต้องการแล้วนี่คือผลแห่งการ<ม>ชนะกิเลสประเภทเหนียวแน่นนี้ออกได้นี่ก็เป็นทางเรียกว่านิยานิกระทมเป็นทางผู้ีนนำสาสตว์โลกออกจากทุกข์คือความผูกมัดรัดดึงเหล่านี้ด้วยอำ น, นาจของกิเลสไปได้เป็นขั้นๆตอนๆแล้วสินนั้นก็มีลักษณะเดียวกันข็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งหนึ่งในห้าข้อนั้น ทานนาชัดมีชีวิตคนมีชีวิตอะไรมีชีวิตผู้นั้นเป็นผู้รักสงวนในชีวิตของตนเท่าเทียมกันกับเราการไม่ทําเขาให้มีความกระทบกระเทือนหรือบอกเจ็บช้าตลอดถึงความน่มความตายไปก็เพราะเห็นคุณค่าของเขาของเราความไม่เห็นคุณค่าของเขาโดยความเห็นแก่ตัว นี่เป็นกิเลสประเภทหนึ่งคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกเห็นเป็นคนแต่เราคนเดียวเห็นมีคุณค่าแต่เราคนเดียวแล้วทำลายคนอื่นได้โดยไม่มีความละอายบาปหรือไม่มีความไม่มีความสำนึกคิดในเรื่องบาปเรื่องบุญเลยขอแต่เป็นความพอใจของเราขาดิพายวายพวงด้วยชีวิตจิตใจร่างกายอะไรก็ต่างนี่เป็นกิเลสประเภทที่สำคัญอยู่มากเช่นเดียวกันการไม่ทำ เพราะความเห็นสาระสําคัญแห่งชีวิตของเขาของเหล่านี้ชื่อว่าเป็นการแก้กิเลสประเภทที่เห็นแก่ตัวในลักษณะหนึ่งดังที่กล่ามานี้ออกได้นะอาทินาเพิ่งเทียบลักษณะเดียวกันกามเมมูสาสุราด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเครื่องผูกมัดจิตใจของสัตว์ให้ับความทุกข์ความทรม า, านทั้งนั้น โอ้พวกนี้ไม่ดีความทเทวาธรรมวะแล้ว่ผิดหว่างไงมมันไมภาษีภาสายที่กล่าวมาเหล่านี้มันแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อแก้กิเลสไม่ใช่สั่งสอนอย่างเปล่าเปลาสั่งสอนไม่มีเหตุมีผลพระองค์ทรงทราบหมดว่ากิเลสมัน แทรกซ้อนอยู่ในอะไรบ้างนี่ทรงแก้ไขวิธีสอนงัดแง่ไปหมดให้ถึงตัวของกิเลสจริงๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสาโลกและแสดงออกโดยอาการดังที่กล่าวานี้อาการห้าอย่างถ้าพูดถึงดังศีลก็อาการห้านี่กานาดินาการเมมุสสาจุระ น, นี่เป็นแต่ละประเภทประเภทแห่งกิเลสและ ศีลเหล่นานี้ก็คือธรรมนั่นเองแก้กิเลสประเภทนี้การทำลงไปนั้นเป็นเรื่องอยากการคิดไม่ทําหรือการงดเว้นอยู่ภายใน จ, จิตใจนี้เป็นเรื่องธรรมเป็นเรื่องแก้กิเลสอยู่ภายในตัวเองนี่มีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์รงสั่งสอนไว้อย่างไรต้องมีความหมายเต็มเต็มตัวทีเดียวเราทั้งหลายมีความรักชอบในศีลในธรรมดังที่กล่าวมา น, นี้ชื่อว่าเป็นผู้รักธรร ในการแก้กิเลสอันเป็นค่าศึกต่อธรรมตามที่กล่าวมานี้คําว่าภาวนายังเป็นความละเอียดของจิตเข้าไปแล้วความละเอียดของกิเลสเข้าไปเป็นชั้นๆท่านจึงสอนที่นี่จะรวมเข้าไปหาตัวจิตรู้เรื่องของจิตจิตแสดงออกในอาการใดถึงกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่า บ่อแห่งเหตุบ่อแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายต้นเหตุของกองทุกข์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ใจสอนให้ภาวนาให้รู้ต้นเหตุคือความคิดเป็นต้นเหตุอันหนึ่งก็สอนให้บริกรรมภาวนาหรือให้กำหนดอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้จิตให้เป็น เครื่องผูกจิตใจไม่คิดไปในแงน่ต่างๆซึ่งจะเป็นการสั่งสมกิเลส ข, ขึ้นมาโดยลำดับในจิตมีอารมณ์อันเดียวกับทำรรที่กำหนดกับทำที่บริกรรมนั้นๆเท่านั้นจนจิตมีความสืบต่อกันด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมบทนั้นๆไม่ขาดว่าขาดตอนแล้วกลายเป็นความสงบขึ้นมาภายในตนท่านเรียกว่าจิตสงบ เนี่ยลงไปแล้วจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธินั่นคือเป็นฐานอันหนึ่งสำคัญของจิตเมื่อจิตมีความสงบทุกข์ก็ต้องสงบลงไปเพราะทุกข์เกิดขึ้นจากความไม่สงบจิตแสดงความไม่สงบก็คือจิตก่อทุกข์เมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาก็คือความสงบทุกข์ ความสงบความฟุ้งซ่านอันเป็นเหตุสาเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็ต้องดับไปด้วยกันเพียงเวลาเดียวหรือขนาเดียวเท่านั้นล้วก็พอเห็นเป็นสักขีพยานว่าความฟุ้งซ่านของจิตกับความสงบของจิตนี้มีผลต่างกันอย่างไรบ้างนี่พอจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษเห็นคุณของความฟุ้งซ่านกับความสงบว่ามีต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเราก็มีทางที่จะแยกแยะเลือกเฟ้นเอาตามที่ ปรากฏแล้วทั้งสองเงื่อนคือความสงบกับความพุ่งสร้านเราเลือกทําแม้จะมีความยากความลําบากก็ฝืนเพราะเหตุผลและสักขีพยานบอกอยู่แล้วภ า, ายในตัวว่าความสงบฝูกเกิดขึ้นเพราะการกระทําเพราะความอุตสาหภรยายามแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเป็นความสงบเย็นใจ ขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้นย่อไม่คิดถึงการเวลาเวลาสถานที่ที่ใดๆทั้งหมดเรื่อนเลื่องบันทึงอยู่กับความสงบอันเป็นสุขอยู่ด้วยกันนั้นโดยถ่ายเดียวนั่งอยู่ก็เพลินเพลินอยู่ในความสงบสุ ข, ของปิดแต่ยืนอยู่ก็เพลิน นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจไม่ก่อกวนตัวเองความคิดความรุ้มระงับเข้ามาการกระทำมีความอุดมูนกันไปโดยลำดับมีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับผลย่อมมีความสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจนกลายเป็นจิตที่อ่อนโยน วิ่งนิ่มนวลสง่าผ่าเผยมองดูภายในตัวเองก็รู้มีเป็นระยะหนึ่งหรือเป็นขั้นหนึ่งของจิตแล้วเรื่องราวที่เคยก่อคนตนเองนั้นค่อยน้อยลงไปโดยลำดับลำดับเรื่องราวคือความคิดความตุงมในแง่ต่างๆตามยถากรรมที่เคยเป็นมา ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีกฎเกณฑ์ในการชิดการปรงุงเพราะเริ่มมีสติเริ่มมีความระมัดระวังขึ้นมาและเริ่มมีสาระสำคัญอันเป็นสมบัติอันหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจไม่อยากจะให้สิ่งใดเข้ามาก่อควนททำลายสมบัติคือความสงบสุขที่เคยได้ปรากฏกับตนแล้วอยอมมีความระมัดระวังสมบัตินั้นไว้เสมอด้วยความมีสติด้วยความจงใจด้วยความพอใจจิต เลกาเป็นสมบัติของตนขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ก่อนเราไม่ได้คิดว่าจิตนี้เป็นสมบัติของเราเพราะยังไม่เคยเห็นจิตแสดงตัวมาเป็นสิ่งที่น่าพึงใจและน่าอัศจรรย์หรือหน้าจะเป็นสมบัติของตนหรือหน้าไว้ใจได้ทีนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วจึงกลายเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกลายเป็นอาเป็นที่อาศัยหรือกลายเป็นสิ่งที่อุ่นใจอันหนึ่งภายในตัวเองอีกนั้นเลกลายเป็นสมบัติของของตนขึ้นมา แล้วก็รักสงวนพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่จะมาก่อขวนทำลายจิตใจนั้นๆด้วยสตนินี่เป็นอีกขั้นหนึ่งคือความละเอียดมีเข้าไปโดยลหนักนี่ถ้าเรียกว่าจิตมีฐานจิตมีหลักมีเกณฑ์จิตเป็นสมบัติปรากฏเป็นสมบัติของผู้ทมขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วสมบัติอันนี้เรียกว่า คุณสมัติหรือธรรมสมบัติมีประจักษ์ใจในธรรมอีกแง่หนึ่งที่ท่านจะสอนให้สมบัติตัวนี้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปและมีความรู้รอบตัวเพื่อกำจัดสิ่งที่แทรกซึมมีภายในจิตใจให้ขาดจากการประเดิมแับว่าจิตนี้มีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกับอะไรบ้างท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญา พิจารณาโดยโยกธาตุขันธ์ของเรานี้ขึ้นเป็นอันดับแรกพิจารณาคลี่คลายดูตลอดถึงสิ่งภายนอกบริษัทบริวารสมบัติต่างๆคิดไปเอามาเทียบเคียงว่าจิตมีความหนักเบาในสิ่งใดในแง่ใดในบุคคลผู้ใดในสมบัติอันใดบ้าง แล้วนำสิ่งนั้นๆเข้ามาคลี่คลายดูให้เห็นตามความจริงของมันเพื่อจิตเพื่อจิตจะได้ถอยตัวเข้ามาต่อยความกังวลหรือความผูกพันอันนันซึ่งเป็นตัวอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นแล้วทำความกดดวงบิตใจให้เป็นทุกข์ให้ถอยตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวคือจิตพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขัน ธาตุขันธ์ถ้าพิจารณาตามความจริงแล้วเราจะเห็นประจักทั้งวันทั้งคืนเพราะเป็นความจริงล้นลวนตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนไม่ละความจริงอันนี้เลยเป็นแต่เพียงว่าความรู้ของเรานี้มันจอมปลอมของปลอมกับของจริงมันก็เข้ากันไม่ได้ท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเพื่อจะสอดแทรกเข้าไปให้รู้ความจริงที่มีอยู่ภายในธาตุขันธ์ใน ร, ร่างกายของตน ด้วยการพินิจพิจารณาเราจะพิจารณาแยกแยกอาการของมันหรือตามความเป็นอยู่ของมันก็แยกออกไปดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาเราจะมีที่ตรงไหนแย้งความจริงอันนี้เลยดูเข้าไปตั้งแต่หนังเต็มคำนอกหนังข้างในเนื้อเอ็นกระดูกรูเข้าไปดูเข้าไ ป, าไปมันเป็นยังไงตรงไหนที่เป็นราวตรงไหนที่น่ารักเป็นไหนที่น่า ย, ยินดีตรงไหนที่เป็นเขา ดูเข้าไปจนหมดทุกสิ่งทุกส่วนแล้วมันก็เป็นกองท่ากองขันเป็นกองอสุภะอสุพังเป็นป่าชา้าผีดิบเร็วดีๆนี่แหละแยกออกเป็นเรื่องของท่าก็ไม่มีอะไรผมมีแต่ท่าสีดินน้ําลมไฟเต็มเนื้อเต็มตัวของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันอวสานคือวันสลายตัวแห่งส่วนประชุมเหล่านี้แห่งท่าทั้งหลายเนี่ย ถ้าปัญญาได้อย่างลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งถึงจิตถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยข้ามันเองสลัดลงไปสลัดลงไปกล่อยลงไปในส่วนอยากคือธาตุสี่ดินน้ำลมไอนี้อ่ามีอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงหรือว่าความสําคัญมั น, มนหมาดเรามันปิดบงังตัวเราก็ถูกมันปิดบังเพราะอะไรเพราะธาตุเพราะขะนันอันนี้จริงต้องเอาธาตุขันนี้มาแจงดู ทลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแล้วก็มาเห็นตัวผู้จอมปลอมไปเที่ยวยิ้นั่นตักปันมั่นหมายเอาสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราขอความยุ่งยากให้แต่ตนขนทุกข์มาหนักเท่าไรก็จนกระทั่งไปไม่ได้ก็ยอมทนเพราะความหลงนี้เอง่ะปัญญากำหนดพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยมันไปเองโดยลำดับอำนาจ เมื่อจิตมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนี้อย่างชัดเจนแล้วมองไปที่ไหนมันทะลุ ป, ปูโลงไปหมดภายในร่างกายนี้เห็นตามความจริงอย่างประจักษ์ไจไม่มีทางสงสัยดูภายนอกก็เช่นเดียวกับภายในดูภาณานก็เช่นเดียวกับภายนอกมันเป็นเช่นเดียวกันนี่ก็จัดว่าเป็นโลควิทูคือรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกในเป็นสภาพเหมือนกันนี้ทั้งนั้นนะ่ี่โล ก, กวิทูล เป็นคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได้ไม่ใช่จะเป็นโลกเวทูจวะพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวแล้วยังมีอะไรเป็นตัวการสําคัญที่คอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาก็พวกสัญญาพวกสังขารนี่เองเป็นตัวสําคัญเวทนาเกิดขึ้นนั้นก็ไปสําคัญมั่นหมายเสวยเวทนาเป็นเราเสียเวทนาเป็นเราเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นเราแน่ เมื่อร่างกายเป็นเราเวทนาก็เป็นเราสัญญาสังนขามิญญาเมันก็เป็นเราไปด้วยกันเก็มาเป็นอันเดียวกันหมดทั้งที่เขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาแต่ความสําคัญที่มันหลอกเราพิจนารณาดูให้ชัดเจนความปรุงก็ยังคิดขึ้นดีชั่วก็ตามคิดเพียงขณะเดียวก็ดับไปพร้อมๆๆในขณะนั้นไม่ได้ตั้งอยู่กีรลังถาวรอะไรเลยเป็นแต่เพียงความสําคัญมั่นหมายนั่นน่ะมันไปยึดเอา ยึดยาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยึดมั่นถือมั่นติดต่อสืบเนื่องมันเป็นเหมือนลูกโซ่เลยทุกเลยกลายเป็นเหมือนลูกโซ่ไปต า, ามๆกันคนทั้งคนเลยมีแต่ลูกโซ่คือความทุกเต็มหัวใจเนี่ยการตัดลูกโซ่จึงตัดด้วยการพิจารณาในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณให้ทราบก็เป็นอาการนหนึ่งๆของขันนั้นเท่านั้นเนี่ยเวทนาความสุขความทุกข์ ทุกกายทุกใจสุกกายสุกใจก็จจอนนาตาเนี่ยสรุปความอันนี้การทุกครั้งอนนาตาเนี่ยกระลงตรงนั้นไม่ไปไหนคำว่าอนนาตาจะเป็นอาตาได้อย่างไงมันปฏิเจตตัวตนอยู่แล้วทัดชัดเนะี่ยเคยขึ้นมันดับไปเนี่ยทุกกายก็เหมือนกันะทุกใจก็เหมือนกั น, ก ม, น, กนมันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมา ทุกการับทุกใจมันเป็นเยทนาเหมือนกันพิจารณาให้เป็นสภาพอันเดียวกันคือตรายักล้นล้วนเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นตรายักษล้นล้วนจริงๆสัญญาความหมายเนี่ยฟังแต่ว่าความหมายมันงมไปอั่นั้นหมายนั้นหมายนี้จริงไม่จริงก็หมายไปจำไปลืมไปแล้วเอามาจำใหม่ ยุ่งกันไปหมดมีญญาณก็ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งใดมาสัมผัสเป็นความกระเพื่มอมแห่งความรู้รับกันกับสิ่งสัมผัสนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่กระทบกั บ, บรูกเสียงกลิ่นนวเรืงสัมผัสก็เกิดความรับรู้ขึ้นในขณนะขณะขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วก็ดับพร้อมกับสิ่งสัมผัสนั้นดับไปมีท่านเรียกวิญญาณความกระเพื่มอมแห่งความรู้เท่านั้นเอง ความรู้จริงๆไม่เป็นเช่นนั้นถึงสิ่งเหล่านั้นจะมาสัมผัสไม่สัมผัสก็ตามความรู้ต้องรู้อยู่โดยสม่ำเสมอนี่ท่านเรียกว่าใจหรือท่านเรียกว่าจิตแต่ความกระเพื่อมของจิตที่แสดงออกราบกับสิ่งที่มาสัมผัสทั่วขณะขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสนั้นท่านเรียกวิญญาณวิญญาณในขันห้ารจริงกับปฏิจจที่วิญญาณจึงผิดกันวิญญาณในขันห้ารปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัส ปฏิทิที่วิญญาณนี่หมายถึงตัวจิตต้นรูนที่เข้าสู่ปฏิทินที่ก่ อ, อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่หมายถึงจิตอีกล่าวในสถานที่นี้ในเวลานี้หมายถึงวิญญาณ 5. แตันธ์ห้เหล่านี้ก็เป็นสภาพเหมือนกันกันกนกนกบรูปเวทนาสัญญาสังขานัน่ยมันเสมอกันด้วยใจรกักเหมือนกันด้วยใจรกักเนี่ยเหมือนกันด้วยความเป็นอนัตตานี่ มันไม่เหมือนเราเราจึงไม่เหมือนสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่สิ่งนั้นแยกด้วยปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตจะปล่อยความกังวลปล่อยคำว่มมารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสังขารเป็นวิญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราปล่อยออกไปเราไม่ใช่อาการห้านี้อาการห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราันระจัก ตัดตอนกันออกไปโดยลาดับลำดับจนกระทั่งขาดกันจริงๆจากอาการแม้จะแสดงขึ้นมาก็ทราบอาการนี้แสดงแสดงขึ้นเพียงใดก็ทราบว่ามันแสดงด้วยความรู้ของเราด้วยปัญญาของเรานี่ท่านเรียกว่าคลี่คลายด้วยปัญญาในบรรดาขันที่มีอยู่กับตนซึ่งเป็นเครื่องปิดกําบังหรือรวมเข้ามาว่าเป็นตนโดย ความสำคัญของจิตแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นแาตด่นี่ทำยังตัดกิ่งกา้านสาขาตัดรากแก้รากปลอยของกิเลสเข้ามามันเหลือแต่รากแก้วพอถึงรากแก้วแล้วก็ถอนอรากแก้วคืออะไรคือตัวจิตกิเลสตัวสำคัญอยู่ในนั้นหมด ผู้ปฏิบัติจึงมักจะหลงที่ตรงนี้อ่าไม่มีผู้แนะเลยจะต้องมาติดที่ตรงนี้ถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนว่าอะไรอะไรก็ละหมดแล้วอรู้หมดแล้วรู้แล้ ว, ลวยกเราขึ้นมาเรารู้หมดแต่เราหาได้รู้เราไม่นี่คือเราหลงเรารู้สิ่งภายนอกแต่มาหลงตัวเองสิ่งภายนอกในสถานที่นี้ไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งภายนอกที่นอกจากตัวหมายถึงรูปเรทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้นี่แหละ รู้สิ่งอย่างนี้แล้วยังไ ม, ไม่ไม่รู้ตัวจริงคืออิจิตเลยยกตัวขึ้นวารู้สิ่งทั้งหลายแต่ ท, ทั้งที่ตัวกําลังหลงอยู่ในตัวเองทาง่นานทีใช้ปัญญาคลี่คลายลึกขยี้ขยําเข้าไปที่ตรงนั้นอีกอืเพื่อความรอบตัวไม่ให้มีอะไรซุ่มซ่อนอยู่เลยขึ้นชื่อว่ายาพิษคือกิเลสประเภทต่างๆแม้จะละเอียดเพียงไรคืออวิชชาเป็นต้นก็ให้กระจายไปด้วย อ, าอยํานาจแห่งปัญญา ขาจนกระทั่งกระจายไปจริงๆนึกสั้นลายลงไปจริงๆด้วยอำ น, นาจของปัญญาอันแหลมขบแล้วคำว่าเราคำว่าของเราก็หมดปัญหาคำว่ารูปร่างรูป เ, เวทนาสัญญาทังขานวิญญาณหรือว่าอาการทั้งห้าขันทั้งห้านี้ว่าเป็นเราก็าหมดปัญหาไปตามๆกัน อเป็นอิจังทุกขังนต า, าก็หมดปัญหาประจำตามกันเพราะสิ้นปัญหาภายในจิตใจคือวิชาซึ่งเป็นตัวปัญหาได้สิ้นไปแล้วปัญหาทั้งหลายจริงไม่มีกับสิ่งใดใจจริงปัญใจที่บริสุทธิ์ลวนล้นนั่นแหละคือบ่อแห่งความสุขเมื่อกาจัดความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ออกจากใจหมดสิ้นไปแล้ว ใจจึงกลายเป็นใจที่โดยสุขขึ้นมาเนี่ยนิยานิกรรมพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาตั้งแต่พื้นพื้นดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องตน้นจนกระทั่งถึงจึกสุดท้ายนี้เป็นนิยานิกรรทมโดยสมบูรณ์นำตั์ผู้คล้องพูดง่ายหรือนำกิจผู้คล้องให้พ้นจากความ ค่องนั้นโดยประการทั้งปวงกลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุในขันทั้งภายนอกภายในแล้วก็หมดปัญหากันเพียงเท่านั้นจากนั้นท่านก็ไม่สอนอะไรต่อไปอีกเพราะพ้นจากทุกแล้วจะสอนเพื่ออะไรถึงที่อันกเกษมแล้วสอนกันไปเพื่ออะไรอีกนี่แหละที่เคยกล่าวเสมอว่ามัชฌิ ม, มาในหลักธรรมชาติ อันเป็นฝ่ายผลได้จากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละไม่มีอะไรที่จะกลางยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้เสมอยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีในโลกทั้งสารนี้พยานจริงไม่มีอะไรประเสริญยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆอันเป็นมัชชิมาในหลักธรรมะห้าต้นนี่นี่แหละทำทำเอกก็คือนี้จิตเป็นเอกก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้ ทำอันเอกก็คือทำจิตที่เป็นความบริสุทธิ์หรือทำบริสุทธิ์ภายในใจมีมีอันเดียวไม่มีสองกับอะไรโลกทั้งหลายมีคู่มีคู่ธรรมชาตินี่ไม่มีคู่อันเดียวเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าสมทรานามว่า เป็นโลกวิถกเป็นศาสตราเอตของโลกทรงรู้วิธีแก้ไขมาโดยลำดับลำดับแล้วนำมาสั่งสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายแม้จะเกิดจุดทธาธ้ายภายหลังตามความสมุตินิยมก็าตามแต่เราก็ได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนคือาศาสนาธรรมจากพระองค์ท่านมาปฏิบัติตนเองไม่เสียชาติที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านกับพระพุทธเจ้าคือทมคำสังสอนของท่านในมาเป็นเครื่องประดับคายประดับใจของเราขอให้มีความภาคภูมิในวาสนาของเราที่จะสอัดสมธรรมปฏิบัติตามพระองค์ท่านท่านสมชื่อว่าเป็นพุทธบริษั์โดยสองบุญจึงขอยุติเพียงเท่านี้